เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุสมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29มิถุนายยพุทธศักราชส5งหเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เหนได้ตั้งใจมาเพื่อมาหาพระวัตนาัยมาสร้างพระวัตนาใจมาสร้างที่พึ่งถานใจเพราะในพระวัตถนาใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงเทานั้นที่เป็นที่พึ่งถานใจที่แท้จริง เป็นที่พึ่งที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจกได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นการที่เราจะมีที่พึ่งทางใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดจากการศึกษา ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใครทรงสั่งสอนอะไรอย่างไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่นอกใจอยู่ เหมือนกับยารักษาโรคที่เรายัางไม่ได้รับประทานถ้ายัางไม่ได้รับประทานยายาก็จะไม่สามารถรักษาโรคไัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้ฉันใดถ้าเรายัางไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราเราก็ยังจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างนั้นในเบื้องต้นเราต้องศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใครเป็นอะไรเ <c oughs> ช่นพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนของ พ, พุทธเจ้าสอนไม่ว่าอย่างไร พระอาริยสงสารก ข, ของพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระอาริยสงสาวก ข, ขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาถ้าเราอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเป็นที่พึ่งทานใจของเราถ้าเรายังไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นใครสอนให้ทำอะไร ก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาเรายังไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงจะต้องรู้เพรรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระอาหารหันตสาว์รู้จักพระธรรมคำสอนถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่ถูก ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหลออย่างที่เป็นการอยู่ทุกวันนี้ชาวพุทธเราเป็นพุทธแต่ชื่อไม่ใช่พุทธด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นชาวพุทธที่เต็มไปด้วยความหลงเป็นชาวพุทธมงคลตื่นขาวถ้ามีใครมาอวดความรู้ความวิเศษ ก็จะหลงงมงายกราบไ่ว้บูชาถวายลาบสักการะต่างๆให้เพราะหวังจะได้รับประโยชน์จากการได้ทำบุญต่อกับผู้ที่มีคุณวิเศษแต่หารู้ไหมว่านี่ไม่ใช่เป็นคนณวิเศษของพระพุทธศาสนาทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเรียก คุณวิเศษต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเดลฉาวิชาเป็นวิชาของเดลฉาที่จะไม่สามารถนำเอามาดับความทุกข์ทำให้ผู้ที่มีคุณวิเศษนี้เป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามี เป็นพาาระอรหันต์ได้เลยเพราะองวิเศษต่างๆนี้ไม่มีความสามารถที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้นั่นเองแต่กลับจะกลายเป็นรูปน้อมของกิเลสตัณหาไปจะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหาสั่งใช้การให้ไปหาลาบยศสารเสริ หาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายที่จะผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราอย่าหลงกับคนวิเศษตา่ตางๆเช่นนั่ลึกชาบได้อหกะเดินอาการหูทิพตาทิพอ่ารวาลจิตของผู้อุ่นได้ แก้กรรมได้คณวิเศษแก้กรรมไม่ได้กรรมนี้ทำแล้วจะต้องมีผลตามมาไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครแก้กรรมได้แม้แต่พระอรหันต์จมสมาสัพุทธเจ้าก็แก้กรรมไม่ได้กรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะแก้ได้แต่จะพ้นจากกรรมได้ ด้วยการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเท่านั้นแบบใดที่ยังมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แาบนั้นยังจะต้องมีการรับผลของวิบากกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุทุชมธรรมดาหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามยังต้องใช้กรรมอยู่ ถ้าไม่เกิดทท้งนั้นถึงจะไม่มีกันไม่ต้องชดใช้กันอีกต่อไปดังนั้นเราอย่าหลงกับบุคคลที่มาประกาศบอกว่ามีคุณวิเศษต่างๆนั้นลึกชาติได้บ้างเห็นนรกเห็นสวรรค์บ้างเห็นการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้เห็นไปก็ไม่สามารถ ที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ต้องเห็นพระอาริยสัจสีต้องเห็นว่าความทุกข์ภายในใจเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆและการจะดับความทุกข์ภายในใจได้ก็ต้องเกิดจากการทำทางรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญา จนเห็นอริยสัจสีจนเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วถึงจะสามารถละความอยากดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้นี่ต่าหาคือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจเพราะว่าการปฏิบัติของเราเท่านั้น ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ผู้วิเศษต่างๆไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาลันตสาวกทั้งหลายหรือผู้ที่มีคุณวิเศษต่างๆ เขายังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเขาได้แล้วเขาจะมาดับความทุกข์ให้กับเราได้อย่างไรถึงแม้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถดับความทุกข์ภายในใจของท่านได้แต่ท่านก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้มีแต่เพียงบอกวิธีสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้น ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วเราก็จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาก็คือชีวประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระสาวกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้ รู้จักว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะท่านหล่านี้ท่านรู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์เพราะท่านได้ดับความทุกข์ภายในใจจนหมดสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นท่านจึงเอาวิธีที่ท่านใชในการดับความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ผู้ใด ฝังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับคนไข้ที่ไปหาหมอและเชื่อคำสั่งของหมอหมอให้ยางารับประทานก็รับประทานตามคำสั่งของหมอไม่นานยาก็จะรักษาโรคภัยแค่เจ็บ ให้หมดไปได้ถ้าไม่เชื่อหมอไม่รับประทานยาตามที่หมอสัง่งโรคไฟยไข้เจ็บก็จะไม่หายไปดังนั้นเราต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าพระเป็นใครท่านสอนอะไรพระอรหันตสาวกท่านเป็นใครท่านจึงได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วท่านสอนอะไร ถ้าเรารู้จั ก, กพ่อพุทธพ่อธรรมพ่สงฆ์แล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกเวลาใครมาหลอกให้เราเชื่อในสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เราจะได้ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราสิ่งที่จิตใจของเราต้องการก็คือความดับทุกข์ เพราะความทุกข์นี้เป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายร่างกายไม่ต้องการโรคภัยไข้เจ็บเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่สบายมันไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดใจของเราก็เหมือนกันใจของเราจะไม่สบายถ้ามีความทุกข์ใจใจของเราจะสบายก็ต่อเมื่อไม่มีความทุกข์ใจ ดังนั้นเราต้องพยายามดับความทุกข์ภายในใจให้ได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและสิ่งที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองดังนั้นเราต้องศึกษาให้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้น้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเรา พระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราปุถุชนที่มีความโลภความอยากต่างๆมีความทุกข์ต่างๆเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าท่านได้สะสมบุญบรารมีต่างๆมาอย่า ง, างม า, ากมายจึงทำให้ท่านได้เกิดเป็นพระราชาโอรส แล้วทำให้ท่านมีสติปัญญาเห็นโทษของการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เห็นช่องทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งใดที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ทรงเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครอยากจะแกะ่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้วิธีที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น และวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาก็คือต้องเป็นนักบวชนั่นเองทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นนักบวชตอนต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถามมหาแม่มาแม่ ก, ก็ว่าคนแก่คนเจ็บคนตายก็คือร่างกายของโรกนี่เอง ต่อไปร่างกายของพวองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วคนที่เป็นนักบวชนี้เขาเป็นใครนักบวชนี้เขาเป็นคนที่จะปฏิบัติเพื่อจะหยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปพอทรงเห็นทุกข์ที่เกิดจากความเกิดเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและทรงเห็นทางที่จะนำไปสู่การ หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็ทรงปฏิบัติสละทรัพย์สมบัติออกบวชนะการสละทรัพย์สมบัตินี้ก็คือทานเสียสละจากคะาให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นไปตอนเสด็จออกจากพระราชวังไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปนอกจากเสื้อผ้าผรอนที่ทรงสวมใ ส, ส่ยอยู่ชุดเดียว แล้วก็ออกไปบวชไปตั้งใจรักษาศีลไม่ทำบาป ท, ทำกรรมต่างๆแล้วก็ปฏิบททัติธรรมทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดจนเห็นว่าต้นเหตุของความเกิดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆพอเห็นแล้วก็ใช้ปัญญา สอนใจให้หยุดความอยากให้เห็นโทษของความอยากว่าถ้าอยากแล้วจะทุกข์จะไม่มีวันสุดแล้วความอยากก็จะไม่มีวันหมดไปจะมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นต้องเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ความอยากเป็นสิ่งที่จะทำให้ต้องกลับมาเรียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอรู้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าก็สามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยไม่มีเชื้อของเพชาต ที่จะทำให้ไปเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ทรงได้ตัดสลุกได้ปฏิบัติจนบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทรงนำเอาวิธีการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปบุคคลกลุ่มแรกที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็คือพระปัญจวัคคีที่เคย อุปทารับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ได้แยกทางกันไปพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสัูวแล้วก็ส่งมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีแล้วก็ส่งสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ได้ปฏิบัติแล้วสมาธิก็ได้กันแล้ว สิ่งที่ขาดก็คือปัญญาปัญญาก็คือไม่รู้ว่าการจะดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจนั้นจะต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดแต่จะต้องยอมรับความจริงว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขมีแต่จะให้ความทุกข์เพราะว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ใดเช่นร่างกายนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปไม่มีใครมายับยั้งหักข้ามได้ ถ้าอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายอนรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่ต่อตา้านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้ นี่คือทมขั้นแรกที่หลังจากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็มีพระอาญญานโกลฐนยักษ์สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้สามารถดับความทุกข์ภายในใจที่เกิดจากการกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือปรากฏเป็นพระอริยสงสาวุบ ข, ขึ้นมา และหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งก็ทําให้พระบัญจารวกี่ทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคาสอนสอนให้ผู้ที่ไม่รู้ ทำบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนากันก็ปรากฏมีการเผยแผ่คำสอนไปได้อย่างกว้างขวางทำให้มีผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ความจริงได้สามารถปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากภาทุกข์กันเป็นจำนวนมากและได้ทำหน้าที่ ต, ต่างๆกัน ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธที่เรามีชีวิตยืนยาวนานมาถึงจนปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีผู้เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคําสอนคือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็มีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหัน รักษานี่แหละคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาการรักษาพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานอยู่ที่การศึกษาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่คือวิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวนาน ไม่ได้อยู่ที่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่ได้อยู่ที่การทํานุบํารุงรักษาถาวรวัตถุต่างๆเพราะถาวรวัตถุต่างๆนี้ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่พระพุทธลูกนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็คือประวัติ อันดีงามของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและพระธรรมคำสอนที่ได้สั่งสอนให้สัตว์โลกปฏิบัติตามอันนี้ต่างหากคือพระพุทธพระธรรมระสงค์การที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปหรือกราบว่วพระธาตุเจดีย์ก็เพื่อเปินการให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั่นเอง ให้เราละเลิกถึงพระพุทธประวัติให้เราละเลิกถึงพระธรรมคําสอนให้เราละเลิกถึงประวัติของภาษาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้เอาเยี่ยมอย่างเอามาเป็นแบบเป็นฉบับให้เราได้ปฏิบัติทางถ้าเราอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจของพวกเราเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนละ พระ อ, อาลันตระสาวโลกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือเราต้องทำทานคือสละสมบัตเข้าของเงิทนทองให้หมดไปเพื่อเราจะได้ออกบวชได้เพื่อเราจะได้รักษาสินได้อย่างบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้มีเวลาจเจริญสถมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะถ้าเราไม่ได้ทำทาน เรายังหวงสมบัติยังหวงสมบัติอยู่ยังต้องใช้สมบัติเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่เราก็จะไม่สามารถเข้าหาที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถ้าเราไม่สามารถออกบวชได้ไม่สามารถารักษาสีให้บริสุทธิ์ไม่มีเวลาที่จะภาวนาได้เราก็จะไม่สามารถ เข้าถึงพระพุท ธ, พ, ธพระธรรมพระสสดาบันเพราะว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีท่านออกบวชทํานั้นท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้ากันถ้าถ้ายังอยู่เป็นคารวะอยู่ยังห่วงทรัพย์สมบัติยังอยากได้ทรัพย์สมบัติยังอยากใช้ทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่องอยู่ ก็จะไม่มีวันที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างมากสิ่งที่จะได้ก็คือถ้าทำทานและรักษาสิ่งได้ก็จะตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์กลับมาเกิดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมนุษย์ใหม่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ ถ้าไม่ได้ออกบวชนี้จะไม่มีเวลาที่จะภาวนาไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาจเจริญปัญญาวิปัสนาดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ที่เพิ่มอย่างสมบูรณ์แบบเราก็ต้องทำทางอย่างเต็มที่รักษาศีลอย่างเต็มที่ภาวนาอย่างเต็มที่คือสมบัติเข้าของเงินทอง มีมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าก็ยกให้คนในวังไปไม่เอาติดตัวไปเลยพอไม่มีความโลภอยากได้ทรัพสมบัติก็จะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์เพราะไม่จำเป็นจะต้องไปโกหกไม่จำเป็นจะต้องไปลักทรัพย์เพราะไม่มีความอยากได้ทรัพนั่นเองนี่แหละคือ แบบฉบับของพวกเราคือพระพุทธเจ้าอาละพะอาอลันตสาวก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีฐานะหลายระดับเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นมหาเศรษฐีก็มีเป็นคนธรรมดาสามัญก็ดีแต่มีความศรัทธาที่จะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วก็ออกไปบวชรักษาศีลภาวนา ท่านจึงได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของท่านเองและเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนที่ตามมาทีหลังนี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจา้าและพระ อ า, หารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพระตาจาและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้หลุดพ้นจากภาพทุกข์ทลายเราจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นมา ให้เห็นว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระอรหันตสาโวเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เรายุดติดการเวียนว่ายตายเกิดได้ลาภยศสระเส ร, ริญความสุขต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่สามารถหยุดความอยากได้ แต่กลับจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีพบชาติเพิ่มมากขึ้นไปเราต้องเห็นโทษของการอยู่แบบคารวะอยู่ด้วยการหาลาบาบยสรลเสรหาความสุขต่างๆในโลกนี้เราต้องเห็นคุณประโยชน์ของการอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบนักบวชเราต้องพยายาม หัดอยู่แบบนักบวชให้ได้เริ่มต้นก็เริ่มต้นที่การรักษาสิงหแปดในวันพระทดลองทางไปก่อนอาทิตย์ละวันแล้วพอเราเห็นผลที่ได้รับเราก็จะเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะรักษาสิงหแปเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะเป็นนักบวชได้สมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะได้เข้าถึงพระพุทธก็ทํามพระสง์ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากาการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือหน้าที่ของเราไม่มีใครทำหน้าที่นี้ให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กระทาเพียงผู้เดียวดังนั้นขอให้เราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและเราจะได้เกิดศรัทธาและเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติ แล้วเราจะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิลประนา้าใจและคุณกุศ์ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ แล้วพลาดปอภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ